เพลินสุกท่านศาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านศาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดในภาคของขีหิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสําหรับคฤหัตในในหมวดที่สี่ว่าด้วยเรื่องของกรรมกิเลสสีอย่าง คือหนึ่งปาณาติบาตทาสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปข้อที่สองอธินาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยข้อที่สามกาเมซุมิฉาจารประพฤติผิดในกามข้อที่สี่มุสาวาตพูดเท็จกรรมสี่อย่างนี้ นักปราดไม่สันเริญความหมายของคำว่ากรรมมกิเลสแปลว่ากรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองหรือว่ากรรมที่ทำให้เศร้าหมองอันนี้หมายความว่าคนเราถ้าหากว่ามีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดประเวณีมีการพูดอเท็จก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งใจจะเป็นความ เป็นมลทินแห่งใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นความเศร้าหมองเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาตินี่มันมีผลไปมากมายถึงขนาดนั้นฉะนั้นให้เราทุกคนควรควรจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่กิเลสทั้งสี่อย่างให้กว้างไปกว่านี้อีกสักหน่อยในข้อแรกที่บอกว่าปาณาติบาตคือทํา ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป <Yeah. S 2> พูดง่ายๆในข้อนี้ก็คือการฆ่าสัตว์นั่นเองพูดถึงการฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์มนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานแน่นอนที่สุดสิ่งที่มีชีวิตนั้นสิ่งที่มีชีวิตนั้นต้องต้องรักชีวิตหัวงแหนชีวิตปกป้องชีวิตไม่ว่าคนและสัตว์มีความตัวตายด้วยกันดังนั้น ถ้ารู้ว่าใครจะมาฆ่ามัดทำลายต้องปกป้องนะต้องหนีเอาตัวรอดนะต้องหนีเอาตัวรอดแต่เมื่อไม่มีทางหนีแน่นอนที่สุดก็สู้แบบที่เรียกว่าสุนักจนกรอกนะสู้แบบสุนักจนกรอกบางครั้งผู้ที่ทำคิดจะทำลายก็ผลก็คือว่ากลับมาย้อนได้กับตัวเองที่เรียกว่าอทุกข า, านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว ฉะนั้นในข้อที่บอกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นยังมีความหมายกว้างออกไปว่าแม้แต่การทรมานสัตว์หรือว่าทําร้ายให้สัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนั้นถึงการเจ็บปวดนะเรียกว่าหูหนวกตาบอดแข้งขาแผลขัดยอกหรือหักอวัยวะขาดพิกลพิการเป็นสัตว์ก็เรียกว่าแข้งขาหักกระดกูกหักเปีกืกหัก อะไรในทํานอง น, นี้อันนี้มันมีผลกรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเรื่องกรรมนั้นเป็นสิ่งสาคัญกรรม น, น, เนนะ่เป็นคำกลางๆเป็นคำกลางๆแปลว่าการกระทาถ้าทำดีก็เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมถ้าทำชั่วก็เรียกว่าอกุศ ล, ลกรรมนะฉะนั้นการทำดีทำชั่วนั้นก็ทำได้ด้ว ย, วยสามทางก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจ อ่ะแล้วก็ทางใจฉะนั้นามาดูถึงเรื่องปาณาติบาตการที่คนเหานั้นจะฆ่าจะฆ่าคนได้ทำร้ายร่างกายเขาได้หรือฆ่าสัตว์ได้นั้นผู้นั้นรู้สึกว่าเป็นคนมีจิตใจไม่ปกติคือผิดผิดปกติของความเป็นมนุษย์เพราะคําว่ามนุษย์ตันงใลว่าผู้มีจิตใจสูงผู้มีจิตใจสูงแต่ว่า ถ้าเราไปฆ่าสัตว์ไปฆ่ามนุษย์นั่นไม่ใช่คนมีจิตใจสูงเป็นคนมีจิตใจดําอัมหิตนะเป็นคนมีจิตใจในทางชั่วช้านะชั่วช้าเห็นการฆ่ากันเป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้สึกกวาดกลัวไม่รู้สึกสยดสยองบางคนเพียงแต่เห็นเลือดเท่านี้ก็หน้ามืดแล้ว หน้ามืดกตัวแล้วยิ่งไปเห็นอาการฆ่าเขานี่คนที่ฆ่าวัวฆ่าควายนี่ฆ่าหมูนี่แมมบางทีมันหน้ากลัวมากห น, น้ากลัวมากบางครั้งเขาฆ่าวัาวนี่เขาใช้ทุบออาว่าจะตายนี่ทุรนทุรายทรมานมากบางคนก็ฆ่าหมูด้วยอาการทรมานหลายๆอย่างเช่นเอาไม้ใส่ปากเอาน้าร้อนกรอกอะไรอย่างนี้ แหมอย่างนี้มันเดือดร้อนมากแต่ที่เคยเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกฆ่าหมูขายเป็นอาชีพก็คือเอามีดเขายาวสักศอกมนาะแทงเข้าไปตรงคอนีน่แหมรู้สึกว่าเขามีอาการไม่สยดสยองนี่มันน่ากลัวก็คนลงทุกข้ามนุษย์ได้ฆ่าสัตว์ได้ถึงขนาดนั้นก็แน่นอนที่สุดคนนั้นก็ถือว่ามีจิตใจโหดเทียมมากนี่ไม่มีเมตตา ต่อสัตว์มนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานอันนี้น่ากลัวคนประเภทนี้เป็นพิษเป็นภัยมากนะเป็นพิษเป็นภัยมากอย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลยเพียงแต่ฆ่าสัตว์เวรกรรมมันก็มากอยู่แล้วการที่คนเราฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์นี่ก็เท่ากับว่าเรานี้ไปพรากอ่าพรากพ่อพรากแม่กันอ่าไปพรากพ่อแม่กับลูกพรากลูกกับพ่อแม่พรากพี่พรากน้องพรากวงศาคนายา ภากผัวภาคเมียนี่แล้วมันจะหาความสุขได้ที่ไหนมันก็มีแต่ความทุกข์มันก็มีแต่ความเดือดร้อนนะฉะนั้นอันนี้แหละนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายควรคำนึงไว้เลยว่าการที่เราได้ไปทำร้ายร่างกายจองร่างจองผานกันนั้น มันมีเวรมีกรรมเป็นทุกข์เป็นโทษเดือดเนื้อร้อนใจที่จะติดตามตัวไปในสมัยพุทธกาลมีนายคนหนึ่งชื่อว่านายจุนทะสุกริกะหรือว่านายจุนทะสุกริกมีอาชีพในการขายค่าหมูขายหรือก็เอาเลี้ยงชีวิตตัวเองบ้าแกทําอยู่อย่างนี้เป็นอาชีพ ต่เวลาจะฆ่าหมูนั่นหนูสึกว่ามันทรมานมากต้องเอาไม้เข้าไปทางปากนะแล้วก็เอาน้ําร้อนกรอกเข้าไปล้างไปออกทางตทางก้นนั่ไปเลยนะแล้วก็เอาน้ําร้อนราดบนตัวแล้วก็ขูดเอาขนออกนี่ปรากฏเป็นไงหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่ปีนายจุนท่าโสกริเกิดเจ็บป่ย เวลาใกล้จะตายตัวเองก็คลานเหมือนกับหมูนะคลานเหมือนกับหมูแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมือนกับหมูนี่ส่งเสียงร้องเหมือนกับหมูนี่แหละจึงเป็นที่แปลกใจกับคนทั่วไปที่ได้ไปพบไปเห็นว่าเอ๊ะนี่ทำไมจ like <c oughs> ึงมีอาการเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> มีอาการเป็นอย่างนั้นนี่ทั้งๆที่ว่าเป็นคนเนี une, ่ยทำไมเวลาจะตายคนเราก็ต้องนอนตายด้วยอะไรอย่างนี้อ <c oughs> แต่นี่มีอาการเท่าคลานไปคลานมาจะตกบ้านตกช่อง พวกโรคเมียต้องช่วยกันจับช่วยกันอจับล่ามกันไว้กลัวว่าจะไปตกบ้านตายนี่ผลที่สุดก็ไอแรงกรรมมันมากก็ตายนี่แหละพระพุทธองค์ท่านตัดว่าเป็นโทษเวกรกมเพราะว่าได้ไปฆ่าหมูนะฆ่าหมูนั่นเองไปทรมานหมูถึงคชาวตัวเองเข้าก็เลยได้รับการทรมานนานาประการอ้าวหรื อ, อยังมีกันในในโคคาดนะ ไมีบุรุษคนหนึ่งก็เหมือนกันมีอาชีพก็ขายค่าโคขายเป็นเป็นอาชีพแล้วก็ขายกินด้วยเหลือจะกินก็ขายแต่ว่าเนื้อที่แกชอบมากที่สุดในเนื้อโคเนี่ยก็คือลิ้นของโคแกชอบมากถ้าวันไหนไม่ได้มีลิ้นแล้วก็กินข้าวไม่ได้วันหนึ่งกลับมากินข้าวเปิดสําหรับตัวแล้วไม่มีลิ้นหัวถามภรรยาบอกอ่าวันนี้ไม่มีลิ้นเนาะบอกไม่มีแค่นั้นแล้วรู้สึกไม่พอใจ ขวามีดวิ่งไปที่วัวซึ่งกำลังยืนยายเอื้องอยู่อย่างนั้นยืนกินหญ้ายายเอื้องอยู่จับอ้าปากกันแล้วก็เอามีดเข้าไปตัดเล้นอเล้นคอออกเลยนี่แล้วลองคิดดิท่านผู้ฟังทั้งหลายว่ามันเดือดร้อนแค่ไหนมันทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากขนาดไหนลองคิดดูดิว่าแหมใจเยี่ยมโหดมากนขนาดฆ่าเป็นเป็นได้นี่นี ปรากฏว่าเมื่อได้ลิ้นมาแล้วนี่แกก็เอามาให้ภรรยาทอดพอทอดแล้วภรรยาก็ยกลงมาด้วยความหิวแกก็หยิบลิ้นนั้นใส่ปากปรากฏวายไอ้บุปพกรรมที่แกได้ไปตัดลิ้นนะไอ้เนื้อที่กําลังร้อนอยู่จากกระทะเพราะลงมาเลยแกก็เอาเข้าปากมันก็ร้อนเลยไหมลิ้นแกนีไหมลิ้นแกแทบหลดอีกเหมือนกันฝนที่สุดเกิดทุกขเวทนา ม, มา้าทนไม่ไหวตายอีกเหมือนกันเห็นไหมนี่ และยังมีในทํานองอื่นอื่เกี่ยวที่ไม่ค่าเพียงแต่ว่าพรากลกูกพากพอ่อภากแม่พวกประเภทที่เรียกว่าส่งสัตว์ออกไปขายต่างประเทศรับซื้อสัตว์ออกไปขายในที่ต่างๆจะเป็นนกอะไรก็แล้วแต่ทุกประเภทนกเอี้ยงนกคุนทองนกเขานกอะไรที่มันสวยงามเนี่ยเพราะการที่เราจะได้มานั้นเราต้องไปดักหรือต้องบางครั้งก็ได้แต่พ่อไม่ได้แม่บางครั้งได้แต่ปัวอไม่ได้เมียบางครั้งก็ได้ลูกบางครั้งก็ต้องไปเอาลูกมามาเลี้ยงนี่ เท่นั้นเมื่ออามานี่ยเท่ากันว่าไปพรากลูกเขามานะก็ปรากฏว่าในคนนี้ก็อยู่ในขั้นเป็นมหาเศรษฐีรวยอาชีพนี้รวยทรงงูทั้งงูทั้งสัตว์เลยคลานสัตว์ปีกสัตว์สี่เท้าอะไรก็แล้วแต่สองเท้าในน้วหมดปรากฏว่าแกมีลกูกลูกชายอยู่คนเป็นสุธิรักอายุก็ประมาณสามสี่ขวบแล้วก็ถูกเขาลักตัวไปจับตัวไปเรียกค่าไทยแม้ทั้งสามีภรรยา เสียอกเสียใจมากอ้อนวอนว่าจะเอาเงินเท่าไรขอให้บอกขอให้ได้ลูกกลับคืนมานี่นี่ก็เราจะให้เราคิดอย่างไรถ้าไม่ได้คิดเรื่องบุญกรรมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแน่นอนที่สุดมันก็คือกรรมในการที่เราต้องไปพรากลูกจากพ่อจากแม่กันมาตัวตัวเองก็เลยถูกเขาพรากลูกไปบ้างนี่แต่ก็ได้คืนนะได้คืนร้องดีอกจกใจโอ้ยสวมกอดร้องขมร้องไห้เป็นการใหญ่ แล้วก็เลยตั้งแต่วันนั้นแกก็รู้ว่าคงจะเกิดมาด้วยเหตุใน น, นนี้ก็เลยเลิกนะเลิกค้าอาชีพนี้เลยก็ปรากฏว่าอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมานะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของสัตว์นะถ้าคนฆ่ามนุษย์ถือว่ามีคุณมากกว่าสัตว์อีกตั้งหลายร้อยหลายพันเท่ามันก็บาปกรรมเพิ่มขึ้นอีกมากนะเพราะมนุษย์ไี่มีคุณธรรมคนฆ่า มนุษย์นี่ก็บาปมากกว่าสัตว์หลายร้อยหลายพันเท่าสัตว์มีคุณมากกว่าบาปมากสัตว์มีคุณน้อยกว่าบาปน้อยแต่สัตว์มีคุณน้อยบาปน้อยถ้าทําบ่อยๆมันก็มากนะมันก็มากได้นะฉะนั้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายการฆ่ามนุษย์ก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีเวรคัมมันจะตามตัวเราไปเป็นอันเนตเจกานทําตัวเราให้เศร้าหมองอ่าเดือดร้อนไปถึงสังคมประเทศชาติเพราะเรามีการเบียดเบียนกันจองล้างจองผลานกันฉะนั้นไม่ดี ยึงเป็นความเศร้าหมองในข้อแรกข้อที่สองก็คืออัินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ด้วยอาการลักขโมยหรือที่เราเรียกว่าพวกพวกถือที่เรียกว่าจะเป็นช่อราชบางบางหลวงก็ถือว่าในอาการลักขโมยเหมือนกันหรือพวกที่ประเพศชกทิ้งวิ่งราวก็ถือการลักขโมยเพราะการลักขโมยนี่มันมีสองอย่าง คือในเมื่อเจ้าของเผลออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาซึ่งหน้านเอาซึ่งหน้าโกงเอาซึ่งหน้าอย่างนี้ก็ถือว่าลักขโมยกันท่านลองคิดดูสิว่าในของที่เราหามาได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพ์สมบัติเสือ้อผ้าอาภรณ์ท่อมสบายที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่เครื่องประดับประดาแก้วแหวนเงินทองมันเป็นเครื่องปลื้มใจ เป็นสิ่งที่เราทุกคนได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลำบากเมื่อเรามีอ่าเราได้ได้สร้างไว้เอาเก็บพร้อมรอมร็บไว้แต่ว่าเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดมันลักออกไปเธอเอาไปโดยอาการลักหรือโดยวิสาสะหรือโดยการที่ต้อนกดด็ดีเราย่อมเสียดายสิ่งของนั้นย่อมเสียดายทรัพย์นะ ย่อมเสียไดย้ซักผู้ที่มาถืออาการรักขโมยหรือฉกชิงวิ่งราวเอาซึ่งหน้า mm. ก็ถือว่าเป็นคนเอาเปรียบผู้อื่น mm. เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นประเภทที่เรียกว่าชุมือเปิดตัวเองไม่ทำคอยอาศัยที่คนอื่นเขาหามาได้คอยฉกช่วยเอาในเมื่อคนอื่นเขาหามาได้ อย่างนี้มีเวรมีภัยมากนะมีเวรมีภัยมากฉะนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายลองนึกตามไปดูสิว่าเป็นจริงไหมว่าธรรมชาติได้สร้างให้คนเรานี่มีเท่าเทียมกันสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจตาสองตาจมูกสองช่อง ปากหนึ่งปากหูสองหูมือสองมือเท้าสองเท้านี่มีเท่ากันมีมันสมองเท่ากันแต่ถ้าหากว่าเราใช้สิ่งอวัยวะที่ธรรมชาติสร้างมานั้นไม่เป็นใช้ไปนในทางที่ผิดมันก็ทำตัวเองให้เดือดร้อนทำตัวเองให้กังวลกระวายลุกลามไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลุกลามไปถึงครอบครัวสังคมประเทศชาติ แตนั้นทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบอกว่าไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองกับประชาชนได้ทั่วถึงทุกท้องที่ไม่สามารถที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขราชฎรได้ได้ถึงที่ก็เพราะว่าตำรวจมีน้อยจนผู้ร้ายชุกชมมากนี่ทุกตารางเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยก็เพราะมีคนที่ประเภทที่คอยชกช่วยเอา คอยชุบมือเปิดเอาคอยเอารับเอาเปรียนหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนี่แหละมันสร้างความเศร้าหมองแห่งใจเป็นมลทินแห่งใจนะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมโดยไม่ยุติธรรมนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ <c oughs> การที่เราได้ไปไปโกงเขามาก็ดีไปรักของเขาก็ดี เราถือว่าเราใช้ธรรมชาติไม่เป็นใช้อวัยวะไม่เป็นก็อบอกแล้วว่าเรามีตาหูจมูกเล่นกายใจมีมือสองมือมีเท้าสองเท้าเราต้องทํงทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์มือหยิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะแต่ว่าเราเอามือไปลักขโมยไปงัดไปแงะรับมันก็เกิดความเดือดร้อนมีเท้าเอาไว้ยืนยันเดินเหินประกอบธุรกิจการงานน้อยใหญ่ในทางที่ชอบเป็นสัมมาอาชีพ แต่เราไปไปลายปินอตัดช่องย่องเบาหรือว่าไปวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าหรือว่าเอาไปรังแกคนอื่นไปชกไปต่อยไปทําร้ายผู้อื่นนี่ถือว่าเราใช้อวัยวะที่มีอยู่ในตัวนั้นไม่เป็นประโยชน์ดังนี้มันก็เกิดโทษเกิดโทษแก่ตัวอาจทําให้ตัวเองเดือดร้อนถึงที่สุดถึงชีวิตก็ได้หรืออาจจะทําให้ครอบครวัวเดือดร้อนเพราะบางครั้งนี่ เมื่อทำเมื่อทำคนนั้นไม่ได้มันก็ทำเอาย่าพี่น้องของคนนั้นนะคนที่มาทำให้ให้เขาเจ็บใจนี่มันเป็นอย่างนั้นคนเราฉะนั้นจึงบอกว่าเราอย่าเบียดเบียนกันเลยนะเราอย่าเบียดเบียนกันเลยนะเราอยาอยาลักขโมยกันนะเพราะอาการลักนั้นมันผิดศีลผิดธรรมนะมันไม่ชอบทำ ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงรู้จักยับยั้งคิดในสิ่งนี้ให้มากนะเพราะถ้าใครทำก็ถือว่าเป็นความเศร้าหมองแห่งชีวิตเป็นความเศร้าหมองแห่งใจและก็จะลุกลามไปเป็นสังคมประเทศชาติต้องระส่าระสายเดือนร้อนกันไปหมดนอนไม่หลับต้องคอยระวังให้คนประเภทที่เดียวตัดช่องย่องเป่ามแม้ว่าจะมีรั้วอย่างดีกุญแจอย่างดีมันก็ล้อมล้อมคนไม่อยู่นะล้อมคนไม่อยู่ เพราะรู้ว่ากุญแจนั้นคนเป็นคนทงขึ้นฉะนั้นแน่นอนที่สุดคนมันก็ทำลายได้นะฉะนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเจ็บช้ำน้าใจเป็นความเศร้าหมองให้แก่ตัวเองและส่วนรวมคาเพื่อที่สามกาเมสุมิฉาจารประพืชผิดในการมคำว่าประพืชผิดในการมเป็นความเศร้าหมองแห่งใจก็คือว่า ประพฤติล่วงประเวณีในสตรีที่เขาห่วงห้ามหรือว่าทำโดยอาการาล่อลอกหรือว่ามีการจุดค่าอนาจาัค่าคมคืนคมคืนค่าตในก็ดีที่มีปรากฏอยู่ทงางสังคมเราทุกวันนี้หรือตามหนังสือพิมพ์หรือสถานีวิทยุรายงานให้เราฟังทุกวี่ทุกวันรู้สึกว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่สังคมรังกิจ ทำตัวเองให้ให้เกิดทุกข์ให้เกิดเดือดร้อนนะและจะมีความสุขได้ยังไงในความหมายของคำว่ากามในที่นี้คำว่ากามนี้คนเราบางทีก็เข้าใจว่าเข้าใจแคบมากคือไปมุ่งว่าคำว่ากามนี้ก็หมายถึงว่าอาการที่ประพฤติอย่างผัวอย่างเมียเขาก็ทากันสมสู่กันอันนั้นมันก็ถูกแต่ว่ามันเป็นเป็นเพียง นิดเดียวนะเป็นเพียงข้อหนึ่งแต่อีกหลายๆข้อความหมายของกลามนั้นผนวกอยู่ก็คือว่าคาว่ากามนี่แปลว่าใคร่นะใคร่ในอะไรนะใคร่ในรูปใคร่ในเสียงใคร่ในกลิ่นใคร่ในรสใคร่ในการสัมผัสนีนะ่คนที่หลงรูปก็เป็นกลางหลงเสียงก็เป็นกลางหลงกลิ่นก็เป็นกลางหลงรสก็เป็นกาม นะหลงการสัมผัสก็เป็นการนี่เป็นการมทั้งอ่กากรมนี่ถ้าอยู่กลางๆถ้าอยู่โดดเดี่ยวก็เป็นคาํากลางๆไม่ดีไม่ชั่วนี่แปลว่าใข้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็เช่นว่าธรรมกามโมอ่าผู้ไข่ในธรรมสิกขากามโมผู้ไข่ในการศึกษาฉันทักกมโมผู้มีความอ่าผู้ไข่ในความพอใจในในธรรมในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นในทางชั่วก็ นี่ยังการเมสุวิชชาจาราน้มุ่งไปในทางที่ชั่วนะมุ่งไปในทางที่ชั่วฉะนั้นจึงบอกว่าคําว่ากรามนี้กินความกว้างไปถึงว่าคนที่หลงรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคนเราเมื่อติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็จะทําให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดความอยากทําให้ทํำบ่อยๆเกิดอุปาทานยึดมั่น เมื่อไม่ได้รูปได้เสียงได้กลิ่นรสโดยสุจริตก็ต้องทําโดยทุจริตไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยคาถาอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้คิดชั่วอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันมันเกิดความเศร้าหมองเกิดความมองปุ้นเสียงานเสียการเสียเวลานะเสียสุขภาพเนะพราะใจต้องมาฝักใฝ่นะคํานึงถึงแต่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่ น, นนะรสสิ่งนี้แหละมันเป็นวัตถุกรรมนะเป็นเครื่องผูกจิตใจ ของคนเรานะทําให้หลงไหลไฝฝันเพอ้อฝันอ่านะไม่เป็นอันทรมาหากินนะอันนี้ก็เรียกว่ามีแต่ทุกข์มีแต่ทุษมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความเศร้าหมองนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทําให้ดีเราก็ต้องทําในทางที่ดีที่งามก็คือว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูนะตามตามขำบอกทำเนียมประเพณีมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทนะ อาการที่สี่มุสาวาตคือการพูดเท็จการพูดเท็จก็คือการพูดหลอกลวงนะพูดเท็จก็คือการพูดหลอกลวงอืมเจราจามุสาวาตลอกลวงให้เขาต้องเสื่อมเสียประโยชน์อโดยอาการที่เรียกว่าคู่ก็ดีจะครอบก็ดนะีอย่างนี้ก็ถือว่ามุสาวาตเหมือนกันนะ หรือบางทีคำว่ามุสาวาทยังกินความไปถึงว่าการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดพูดเฟิร์เจนี่ก็ไปอยู่ในในข้ออนุโลมถึงมุสาวาดเหมือนกันการทำอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจของคนคนของของพูดนั้นฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นคนพูดให้เขาต้องเสื่อมเสียประโยชน์ต้องพูดคำจริงพูดคาสัตย์พูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยเมตตาพูดให้ถูกกาลเทศะ ดังนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของกันแลกกันนของกันและกันฉะนั้นจึงบอกว่าคนเรานี่ถ้าหากว่าคิดแต่จะพูดโกหกหลอกลวงให้เขาต้องเสียผลประโยชน์ก็เท่ากับว่าผู้นั้นได้กรีดเอาเลือดของตัวเองออกมาทุกๆุกคำพูดไม่ช้าก็ตายงดเลือดแล้วก็ตายแล้วคนที่ชอบพูดโกหกหลอกลวงต่อไปภายหลังก็แน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม เมื่อเขารู้แล้วไม่มีใครอยากกบฏสมาคมเพราะเป็นคนพูดเหลวไหลหลาหละแหลกไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรขาดความเชื่อถือาขาดความเชื่อถือไม่ดีมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอย่างเดียว น, นี่แหละถือว่าเป็นกรรมมกิเลสทั้งสี่ข้อทั้งสี่ข้อทีนี้ถ้าหากก็จะมีคำถามว่าความบริสุทธิ์กับความเศร้าหมองเนี่ย เราชอบอันไหนแน่นอนที่สุดเราก็ต้องชอบความบริสุทธิ์เป็นฤาษีหัดก็หวังความบริสุทธิ์แก่ตนนะต้องเป็นผู้มีเมตตาต้องไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าเราจะบริสุทธิ์ไม่สร้างหมองเราก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องมีเมตตากรุณาคือปรารถนาความรักใคร่ต่อผู้อื่นปรารถนาความอยากเข็นให้ผู้อื่นที่ประสบความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ก็คือไม่ฆ่าไม่เวดเบียนเขา ช่วยเหลือเขาด้วยกำลังกายและกำลังความคิดตามความสามารถแล้วก็เว้นจากการลักขโมยช่อกงทุกสิ่งทุกอย่างนี่นเบียดบังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้ที่ควรเจือจานยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ทำชู้ในลูกเมียเขายินดีในภรยาของตนก็คือสถารสันโดษหรือการมาสังวสรสํารมในการม ไม่พูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วนับปรารถกก็จะสรรเสริญด้วยนับปรารถนสรรเสริญถ้าหากว่าว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์เบียดเบียนกั น, นแน่นอนที่สุดไม่มีใครสรรเสริญไม่ต้องถึงนับปรารถก็ไม่สรรเสริญแล้วคนทั่วไปก็ไม่สรรเสริญ น, นับปรารถก็ยิ่งสรรยิ่งไม่สรรเสริญใหญ่นะเพราะว่าเป็นคนที่ไร้เมตตา อาประพฤติอาแต่ตานาธิบาทเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนคิดแต่ยปองร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะทำให้ต้องถูกจองจำหรือลงอาจยาหมดอิสรภาพไม่เหมือนท่านสาธุชนทั้งหลายนะแน่นอนที่สุดถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะ เ, ะเราเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่มีการพูดไม่ไม่มีการลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่มีการพูดเท็จเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความสบายเราก็จะมีแต่ความเจริญนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายในทางตรงกันข้ามกรรมที่เป็นฝ่ายขาวกรรมมรรคผลที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายชั่วนะในทางตรงกันข้ามก็คือว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายขาวเรียกว่าสุกธรรมเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องปล่อยสัตว์มีเมตตา กรุณาการปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์นั้นเป็นการให้อภัยชีวิตกร น, นี้ถือว่ามีอานิสงฆ์มากเท่าว่าเป็นการต่ออายุให้ฉะนั้นเวลาคนไปสะดอกเคราะหนี่เขาจึงมีการปล่อยสัตวนะ์บางคนมีกําลังมากก็ซื้อโคซื้อปล่อยโครหรือว่าที่เขาจะนำเอาไปฆ่าอแล้วนะซื้อโคออกมานะเอามาเลี้ยงบางคนก็ปล่อยนกปล่อยปลาอนะบางคนก็ถือเพลิ ด, ด้วยว่าจังปล่อยปลาไหลอายุจะได้ยืนยาว ปล่อยปลาหมอก็จะได้มีความอดทนว่าปลาหมอมันทนแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคนแย้งว่าปลาหมอมันตายเพราะปากอ่ไอ้ยิมก็เสียอีกเหมือนกันอ่าฉะนั้นจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่อ่เที่ถูกกัดขังหมดเสือบเสียอิสรภาพแล้วเราได้ปล่อยแล้วก็มันมีประโยชน์มีอนิสงฆ์ทั้งนั้นอนั้นให้เรามีข้อแรกคือเราต้องมีเมตตากรารนานในข้อที่สองก็เราไม่ลักของเขาก็ต้องเป็นคนเสียสละให้ทานมีสัมมาชีพนะ เดินเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประการข้อที่สามเมื่อเราไม่ประพฤติผิดประเวณีในการเราก็ต้องสำรวมในการสธาระสันโดษยินดีในภรรยาของตนแล้วก็การมาสังวรสำรวมในกามในตาหูจมกูกเล่นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นเล่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในลมต่างๆนี่เราจะต้องสำรวมระวังมีสติข้อที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราไม่พูดเท็จเราก็มีคําสัตย์ มีคําสัตย์มีความจริงอันตรงกับข้ามกับนุสาวะว่าอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความเจริญและจะทําให้เรานั้นตั้งตัวได้ไปที่ไหนก็มีคนเคารพรักนับถือมีคนยกย่องบูชาเราไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครนะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครฉะนั้นผู้ที่ดําเนินชีวิตในคารวาสควรจะตระหนักเกี่ยวกับเรื่องกรรมกิเลสสี อ, อย่างว่าเราไม่ควรประพฤติปฏิบัติเพราะทําไปแล้วบัณฑิตหรือนักปราชญ์ทําให้สําเสริญ เมื่อไม่สั่นเสริกแล้วก็เป็นความเศร้าหมองแห่งใจแก่ตัวเราและลุกลามไปถึงครอบครัวสังคมประเทศชาติเราเว้นได้แน่นอนที่สุดอก็จะทําให้ตัวเราครอบครัวเรามีแต่ความสุขความเจริญลามไปถึงครอบครัวบ้านไปถึงสังคมอ่าก็มีความเจริญเรียบร้อยไม่มีการเบียดเบียนกันไปถึงประเทศชาติก็จะอยู่อย่างสงบสุขเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรรมกิเลสมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในภาคของขีหิตปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับคารืหัดหรือพวกชาวบ้านในเรื่องของอบายามุกสี่อย่างคือหนึ่งความเป็นนักเลงหญิง เป็นนักเกรงชายสองความเป็นนักเกรงสุราสามความเป็นนักเกรงการพนันสี่การคบคนชั่วเป็นมิตรทั้งสี่อย่างนี้ไม่ควรประกอบไม่ควรปฏิบัติ <c oughs> และเรียกว่าอบายามุกคำว่าอบายามุกนี้แปลว่า ตาทางแห่งความเสื่อมตาทางแห่งความชิบหายนี่ฉะนั้นพระผู้มีพร ะ, พระภาคซึ่งในทรงแสดงแก่อุทยพราหม์ว่าทั้งสี่อย่างนี้เป็นโทษสำหรับคารสษฐพึงเว้นให้ไกลเพราะแต่ละข้อล้วนเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีความสุขเลย ท่านอาจจะแย้งว่าถ้าเป็นพระสมณะพระสงฆ์องค์เนรไม่ชิบหายหรือแน่นอนที่สุดถ้าหากว่าพระสงฆ์เนรมาติดอย่างนี้เข้าก็ชิบหายทางนั้นไม่ยกเว้นว่าใครทางนั้นแต่ว่าที่ท่านไม่มีหัวข้อว่าขี่ปฏิบัติอเป็นหัวข้อขี่ปฏิบัติว่าเป็นข้อปฏิบัติสําหรับคิร์ดหัก็เพราะว่าส่วนใหญ่คิร์ดหัดนั้นมีศีล น, น้อยกว่าพระพระเนรนั้นมีศีลควบคุมอยู่แล้ว วควบคุมอยู่แล้วหลีกออกจากจากโง่คือความเป็นค า, าอ่าตั้งใจที่ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่แล้วแต่คารวะนั้นจะต้องคลุกคลีอยู่ในโลกออยู่ในโลกก็มักจะเจอเกับเผตการเหล่านี้ถ้าใครเว้นได้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอเมื่อพูดถึงอบายามุกก็ยากที่พวกชาวบ้านจะหลีกเลี่ยงได้ ไอ้ที่เป็นอย่างนี้ผมจะเป็นเพราะเห็นว่าไม่ไม่สาคัญนะหรือว่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะหรือจะอะ้างอย่างไรก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าอยู่ในสังคมจะต้องมีอย่างนี้นะเพราะเขานิยมกันอย่างนี้ให้สังเกตดูสิถ้าเราจะจัดงานอะไรจะเป็นงานมงคลอวมงคลขาดไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกนะ ขาดไม่ได้โดยเฉพาะในข้อที่เรียกว่าสุรากับการทานันมักจะมีคู่กันอันนี้หละมันเกิดทุกเกิดโทษนะเกิดทุกเกิดโทษมากอืมขอให้ให้เราทุกคนนี้พยายามเหล็กเลี่ยงเสียได้เราก็จะมีแต่ความสุขเป็นในข้อแรกที่บอกว่าความเป็นนักเลงหญิง ขอให้ท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายมาทําความเข้าใจในข้อคําว่านักนักเรีลงตัวนี้คําว่านักตัวนี้มีความหมายก็คือว่าต้องทําบ่อยๆทําเป็นระจทำทําติดต่อกันอย่างเช่นว่านักเรียนก็ต้องไปเรียนบ่อยๆนักเรียนนักศึกษาต้องศึกษาบ่อยๆเป็นนักกีฬาก็ต้องฝึกบ่อยๆ จะเป็นนักฟุตบอลนักเทนนิสหรือว่านักแบดมินตันหรือว่าปกววาเล่บอลนะหรือว่าการวิ่งการยิมนาสติกอะไรก็แล้วแต่ละต้องฝึกทางนะั้นแลวต้องทำบ่อยๆเมื่อเราทำบ่อยๆมันก็เกิดความชำนาญเกิดพละกกำลังแข็งแรงเกิดความสมบูรณ์ข้ก็จะทำให้เรา ม, มีโอกาสทาได้ดีมาในที่นี้เหมือนกัน ที่ว่าเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายเราก็จะต้องประพฤติบ่อยๆก็คือเป็นคนเจ้าชู้นั่นเองทำอยู่เป็นประจำไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไงนะไม่รู้จักพอชายก็เป็นนักเลงหญิงชอบเที่ยวผู้หญิงเจ้าชู้ผู้หญิงหญิงก็เป็นนักเลงชายก็คือเจ้าชู้กับผู้ชายนี่ครบไม่เลือกหนานี่แหละเป็นที่ข้หาเนนทาของคนทั่วไปฉะนั้น การที่เรามาเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายมันเป็นทางแห่งความเสื่อมเสื่อมยังไงเพราะคนเรานั้นแน่นอนที่สุดเมื่อมีคนรักคนเรานั้นมักจะไม่มีรักกันคนเดียวย่อมจะมีหลายคนก็จะมีการแย่งกัน mm. มีการแย่งกันมีการทะเลวิวาทมีการตชกต่อยกันมีการฆ่ากันเพราะแย่งคู่รักกันอันนี้มีมาก แต่โดยมากผู้ผู้ชายมักจะแย่งผู้หญิงไอ้ที่ผู้หญิงแย่งผู้ชายก็มีแย่งก็มีแต่ผู้หญิงนั้นจะไม่ค่อยรุนแรงออกนะักแต่ว่าถึงข่าวทาจริงๆก็น่ากลัวมากร้า ย, ยิ่งกว่าผู้ชายตั้งหลายเท่าบางครั้งก็ฆ่าหมดเลยบางครั้งก็ขอประทานโทษทีเรียกว่ า, าใช้มีดไปเท่าตัดน้นตัดนี่นี่น่นนากลัวน่าสยดสยองมาก คนที่เป็นสามีเป็นผัวนี่สยบสยองนอนไม่หลับสมัยหนึ่งเป็นแฟชั่นเลยนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตัดทั้งนั้นนี่นั่นก็คือเป็นการสร้างเวรกรรมอย่างหนึ่งเไอคนที่ถูกตัดก็คือเป็นผลของการทํากรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งอืมฉะนั้นอท่านผู้ฟังทั้งหลายการเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายมันเสื่อมเสีย ม, มาก เมื่อเราเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องไปหากันบ่อยๆการไปหาปบ่อยๆมันเสียการงานนี่เสียการงานเสียเวลาเสียประโยชน์เอเสียกําลังกายเสียสุขภาพแล้วก็เสียทรัพย์ต้องขึ้นรถลงเรือต้องมีเงินทองต่อไปกินเลี้ยงกันอต้องตรเอาของขวัญไปให้กันเนี่ยมันมันเสียทางนั้นเลยนะ เ, เสียทางนั้นแล้วก็เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันอมีการฆ่ากันทำร้ายร่างกายกัน คือมันภัยที่มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันมากเหลือเกินนะบางครั้งก็ตายไม่รู้ตัวนะตายไม่รู้ตัวนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าการเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายก็คือความเป็นคนเจ้าชู้นี้จึงมีโทษมากามีโทษมากเหลือเกินฉะนั้นก็อยากให้เรานั้นรู้จักเพลาเลาไอ้เรื่องนี้นะเพลาเพลาเรื่องนี้นะถ้าหากว่าเราเพลาเสลาจได้แน่นอนที่สุดก็ เป็นความสวัสดีกับตัวเองเนะฉะั้นในแหล่งามอาบายามุกต่างๆแถวตามบาครับอบปาบมนวดคอฟฟี่ช็อปนี่เลยโรงน้ำชาต่างๆเขาจึงกวดขันกันมากตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกองวัฒนธรรมก็จะห้ามพวกกูหญิงผู้ชายที่อายุยังไม่เกิดสิบแปดเข้าไปนะอันนี้มันก็ ต้องต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายนะจะแก้ปัญหาที่หนักให้เป็นเบาได้นะฉะนั้นนี่แหละถ้าหากว่าใครประพฤติเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงหญิงนักเลงชายก็แน่นอนที่สุดก็คือมีแต่ทางทิพหายมีแต่ทางแห่งความเสือ่อมบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวเพราะผู้หญิงนี่ถูกผู้หญิงหลอกก็มีนะไอตัวเองที่ไปทุ่มเทให้เขาก็มีนะอย่างนั้นก็มีแล้วบางครั้งก็ถูกเขาฆ่านะ อ่าถูกการฆ่ากันตายอย่างนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะอืมฉะนั้นนี่แหละจะบอกว่ามันเป็นทางแห่งความเสื่อมมาในข้อที่สองความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงสุรานี่ก็เหมือนกันคือดื่มบ่อยๆดื่มอยู่เป็นประจำนะในสุรานี่มันเป็นพวกน้ำกลั่นน ะ, นะเป็นพวกน้ำกลั่นสุราเมรัยเครื่องหมักดองต่างๆนะ จะเป็นเบียร์เป็นเหล้าเป็นกระแช่เป็นสาทออะไรก็แล้ ว, แ, ลวแต่หรืออุอะไรเนี่ยแต่ละภาคก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันสุราก็มีเยอะเบียร์ก็มีมารู้จักกี่ร้อยกี่พันยี่ห้อนะพวกเรารับเอามาหมดเมืองไทยนี่ไอ้เรื่องนี้แล้วก็ของไทยดีที่ไหนเอามาหมดทั่วโลกนะเอามาหมดทั่วโลกแล้วก็มาโฆษณาประกวดประขันกันแข่งขันกั น, น, น, นทั่วทุกมุมเมืองเต็มไปได้วยป้ายอย่างนี้ทั้งนั้นสุราดียี่ห้อนะั้น แม่โขงหงทองอกวางทองอะไรไม่รู้เบียตราสิงตราเอเลนหรือพวกโอตาดเรเจนซี่คาร์มุดไรวุ่นนักไม่ทุนรู้สึกว่าพวกเรานี่ลหลงไหลไฝฝันกับสิ่งเหล่านี้มากสิ่งเหล่านี้เมื่อกินไปแล้วมันทําให้กล้าถ้ามันมีแอลกอฮอล์เป็นตัวทําให้เราเมินเมาทําให้เมินเมา อันนี้ก็อาจจะรวมไปถึงพวกเฮโรอีนสินกัญชาต่งตางๆด้วยพวกปูดีต่งตางๆด้วยพวกนั้นก็มีไอ้พวกอคาเฟอีนพวกนี้เป็นตัวที่ทําให้เหมินเมานะกล่อมประสาทนะเป็นตัวกล่อมประสาทไม่ดีอ่านะกินแล้วก็ทําให้เรานั้นประหมากบัวเมากล้าไอ้สุระนี่แปลว่ากล้ากล้าทําความชั่วขอประทานโทษบางครั้งก็หน้าด้านนะที่เรียกว่าหน้าด้านอืม ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเป็นพิษเป็นภัยมากนะเป็นพิษเป็นภัยมากแล้วพวกเราก็แยกกันไม่ออกนะงานมงคลอวมองคลก็ตั้องเลี้ยงสุรานะเลี้ยงสุราทั้งนั้นถ้าใครมาบอกว่าบวชพระไม่เลี้ยนสุราได้ไหมรู้สึกว่ามันไม่มีเกียรติไม่ภูมิใจแต่งานไม่เลี้ยงสุราได้ไหมไม่มีเกียรติไม่ภูมิใจแต่ถ้าบอกว่าแต่งงานนี่ไม่ต้องมีพระก็ได้ อแต่ก้อยเลี้ยงสุราเนี่ยอย่างนั้นตกลงนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเราเชิญเข้าไปว่าขอเชิญท่านไปร่วมในงานมงคลอสมรสนั่นสมรสคนนี้อลูกชายขอเชิญท่านไปร่วมในงานมงคลอุปสมบทลูกชายแต่ปรากฏงานนะั้นไม่ได้เป็นงานมงคลเลยมีแต่งานเลี้ยงเล่างานอัปมงคลทั้งนั้นเลี้ยงเหล้ากันบางทกีก็กินกันแล้วก็มีการชกต่อยเกิดการทะเละวิวาทมีการฆ่ากันอันนี้ก็มีมาก ในงานนั้นและอย่างนี้มันเป็นวงคลมอย่างไรนะบางครั้งขอประทานโทษพ่อนาคแม่นาคลูกนาคในบางครั้งก็จะเข้าโบสถแล้วยังเมาเดินวนโบสถนี่เป๋ไปเป๋มาเลยนี่อย่างนี้ก็มีแล้วมันจะได้บุญที่ไหนบางครั้งผู้จะเข้าบวถเป็นนากรันเมาแอ้เลยถึงก็ต้องรับคองปีกันเข้าไปก็มีบางครั้งก็หัวร้างข้างแตกในงานนั้นก็มี บางครั้งก็เตรียมงานแล้วก็บวชไม่ได้อย่างนี้ก็มีนนี่นี่ก็เพราะอะเพราะเล่านั่นเองนะเพราะเล่าเพราะสุราชราใครดื่มแล้วมันชิบหมายหลายอย่างมีกครูท่านหนึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสอนคู่บ่าวสาวดีมากท่านบอกว่า ถ้าเป็นสามีแล้วก็ภรรยากันควรจะงดเว้นในข้อนี้เพราะว่าการดื่มเหล้านั้นมันมีโทษสามอย่างคือหนึ่งเสียทรัพย์ก่อนที่เราจะได้มาเหล้ามาดื่มนั้นมันต้องเอาเงินเอาทองไปซื้อฮะทาให้ทรัพย์ของเราต้องสูญไปในสิ่งที่มันไม่ใช่ประโยชน์มันในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ไอ้น้ําน้ําสุราเื้น้ําเหล้านี่ยเขาเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยจากคนดีก็ให้เป็นคนชั่วจากคนเรียบร้อยก็ให้เป็นคนสูรส้รยสู้ร่ายแข็งเกิดด้าง คนที่เคยพูดเพราะก็พูดคาจาคําหยาบคนไม่เคยด่าก็ต้องด่าคนไม่เคยฆ่าคนก็ต้องฆ่าเดินแก้ผ้าก็ได้เคยแต่งตัวเรียบง่ายก็สกปรกมอม่มนี่เน่ยเป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยนะเป็นขอประทานโทษเป็นน้ําแห่งความไายนะเป็นน้ําแห่งความเสือ่อมเป็นน้ําแห่งความชิบหายนี่แต่ว่าพวกเราก็หลงไหลฝันฝันกันจริงๆแล้วมันมันมันไม่ก็ได้ทําประโยชน์ให้เท่าไรมีแต่ทางไหยนะลูกเดียว เราเดิมน้ำธรรมดาสะอาดสะอาดนมีประโยชน์ตั้งกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินทองมากมายถึงกระทุกวันนี้พวกเราขี้เกียจกันขนาดต้องซื้อน้ำน้ำเดิมกินโพลารดบ้างพวกอะไรต่งตางๆนี่นี่ขวดนึงต้องสองบาทสาบาทนี่แทนที่ว่าเราจะรองน้ำฝนขึ้นเองอะไรเองก็ไม่เอาทำอะไรมักง่ายนี่คือลักษณะของคนไทยแท้ฉันบอกว่า ตอนที่เราจะได้ล่ามาดื่มนั้นมันต้องเสียทรัพย์ไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วพอดื่มเข้าปากอ่าก็คือว่าเสียศีลพิดศีลอีกแล้วในข้อที่ห้าพอเสียศีลพอดื่มเข้าไปแล้วเกิดความเมาก็เสียคนนี่พอเสียคนแล้วก็นิสัยก็เปลี่ยนไปท่านได้อบอกว่าคนที่ดื่มของมืึนเมาเนี่ยมักจะมีลักษณะอยู่สีอย่างคือหนึ่งกินแล้วเหมือนหมูนะมีลักษณะเหมือนหมูกินแล้วนอน ประเภทนี้เมาแล้วนอนเลยไม่เอาอะไรเรื่องเอาเรากับไข่ดีตรงที่ว่าไม่เตะเรื่องไปราวกับไข่ไม่ก่อเรื่องแก่ไข่ไม่ไปทะเลาะอีวาากับไข่แต่ว่ามันเสียประโยชน์เสียเวลาเสียหน้าที่การงานเพราะเอาแต่นอนกินเหมือนหมูกินกินนอนนอนกินแล้วนอนนอนแล้ ว, นนลวกินอยู่อย่งังไม่ได้งานคนเราเมื่อไม่ทํางานมันก็จะมีประโยชน์อะไรค่าของชีวิตก็หมดไป นี่นะจะบอกเหมือนหมูนะมันก็เสียไม่มดีอีกเลยประการที่สองกินแล้วก็เหมือนงูเดินเลื้อยไปเลื้อยมานะเรียกว่าหนทางกว้างสองสามเมตรนี่เดินเต็มถนนเลยนะเดินเต็มถนนเลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่พอเมาแล้วก็ใหญ่เลยนะใหญ่หมดคนพอเมาแล้วใหญ่มากความลับที่เคยเก็บไว้ปกปิดไว้เป็นสิบสิบปีก็ไม่กลัวแล้วเปิดเผยได้นี่มันเต็มนิสัยหมด นะพอเมาแล้วเป็นคนเก่งขึ้นมาทันทีร้องรำทําเพลงก็ได้นะอนะบางครั้งเป็นคนเฒ่าคนแก่ดูแล้วก็หน้าหน้าละอายนะหน้าอายลูกาอายหลานนะแก่จนห้าสิบหกสเจ็ดสิบแปดสิบยังดื่มเหล้าเมาแอเดินตามถนนท้องทางอนนี้เรามีลูกหญิงลูกชายเป็นหมวกเป็นสาวก็รู้สึกละอายละอายพ่อละอายแม่ที่มีอาการอย่างนั้นเดินแอนหน้าแอนหลังพูดจ้าแขวคุณโ น, น่คนนี้ก็โชคโขกหัา นะบางครั้งก็ส ก, กปรกมัมมัมแแมมอะไรมันดูแล้วมันน่าลัอายแก่ีใจลูกบางคนจึงก็หนีออกจากบ้านลูกบางคนจึงก็ปลูกคอตายที่พ่อแม่ติดสุราเมเใน์สร้างความอับอายขหน้าให้กับลูกที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมะนี่ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าบางคนกินแล้วก็เหมือนกับงูนะเดินเลือ้อยไปเลือเล้อยมาเต็มถนนเป็นเจ้าถนนรถทับตายก็มีมากอาการที่สามก็คือกินแล้วเหมือนสุนัข พอไปทานโทษเหมือนหมานะเหมือนหมาธรรมดาหมาเนะี่ยมันชอบเหา่าชอบห่อนไอ้คนประเภทนี้กินแล้วก็เหา่านะเอะตาโวยวายเคี้ยวเจ้าไปหมดนะโรคเมียเบื่อรำคาญเพื่อนฟูงเบื่อรำคาญเนะี่ยเบื่อรำคาญมากนี่ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่ามันเหมือนกับหมูเหมือนหมาประเภทสุดท้ายเพศ ท, ที่สี่กินแล้วก็เหมือนเสือมีลักษณะเหมือนเสือคือจิตใจโหดร้าย นะมีการชักมีชักปืนจนมาทิ่มแทงยิงอไปอย่างปังเนี่ยเกง่งมีเก่งมากเลยร้ายกาจมากนี่น่ น, นแหละพอยิงเข้าแล้วเราก็สั่งแล้วตอนนี้เข้าไปสงบสติอารมณ์อยู่ในมงสายบัวในกรงนั่นแหละสั่งแล้วมาคิดได้ก็สายจะแล้วพอออกมาแล้วก็เอาอีกอย่างนั้นอีกเลยนี่ฉะนั้นจึงบอกว่ามันมีโทษโทษมันมากเหลือเกินนะเกี่ยวกับเรื่องพวกสุราเมีไรเนี่ยโทษมันมากนะ บางคนก็บอกว่าไอ้ที่เขาห้ามกินนะคือมันกินมากเกินไปถ้ามันกินเป็นระ ย, ยะระย ะ, ยะแล้วก็พอดีนนี่ไอ้พวกนักเลงสุรามว่างั้นมันบอกว่าถ้ากินกินเหล้าให้ดีแล้วก็เขาบอกว่าถ้ากินกินเหล้ากับไก่แล้วก็ได้ไปอยู่สวรรค์ถ้ากินเหล้ากับเป็ดแล้วก็สําเร็จโสดามันฮะไอ้บางคนก็แก้เลยบอกถ้ากินเหล้าเปล่าๆก็จะถูกไม้เท้ายมมาบาน ว่านั่นมะมันก็มันก็น่าหนักใจนี่เป็นภาสิทธ์ของคนขี้เหล้านะคนขี้เหล้าเขาบอกว่าถารักดีมันก็อ่ากินกินถั่วถ้ารักชั่วก็ต้องกินเหล้าถ้ารักดีรักชั่วก็ต้องกินถั่วแก้มเหล้านี่มัว่างั้นนี่เป็นพาสิตธของคนขี้เมานะพาสิทธของคนขี้เมาอืม แ้นก็อย่าไปสนใจมาเลยนะอย่างนี้อย่าไปสนใจมาอืมไเรื่องโทษของเหล้านี่มันก็มีมากโทษของสุรามีเยอะนะก็หนึ่งนั่นแหละเสียทรัพนะเป็นบอกเกิดเป็นการทะเละวิวาดกันนะสังเกตดูกินเหล้าที่ไหนแล้วก็เอะอะโวยวายทะเละกันชอบแควคนอื่นพูดมากนะอ่าสามก็ เป็นคนไม่รู้จักละอายสี่ก็คือเกิดความอัปยศอดสูนะเกิดความอัปยศอดสูมากนะข้อที่ห้าก็เป็นรังแห่งโรคนะโรคเกิดต่างๆโรคตับแข็งโรคอปลอดโรคมะเร็งนะเนะี่ยเยอะแยะข้อที่ข้อสุดท้ายข้อที่หกก็คือว่าเป็นการบัณฑทอนกําลังสติปัญญานะบัณฑ์ทอนกําลังสติปัญญาไม่ดีนะไม่ดีฉะนั้น ถ้าหากว่าผู้ใดได้ไม่เป็นนักเดิมซุราผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีน้อยลูกเมียก็จะรักมากขึ้นนะไม่เหม็นไม่สกรปรกนะไม่เหม็นไม่สกรปรกขอให้เราทุกคนจงจงตำหนักให้มากการทําบุญทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีเหล้าก็เป็นงานได้นะเป็นได้แล้วก็ดีด้วยไม่ต้องเสียมากนะพวกเราเนี่บางครั้งเนี่ยบอกว่าทําบุญเนี่ย อ่าไอ้จะซื้อของที่มันดีๆมีประโยชน์มากินรู้สึกเสียดายแต่ถ้าซื้อเหล้าเราไม่เสียดายนี่แหละเพราะเราคิดผิดทำผิดอ่าอ่าแล้วมาบ่นกันว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญมันจะมาได้อย่างไรอ่าทำบุญอย่างนี้เขาเรียกว่าทำบุญเหมือนกับอาบน้ําโคลนอาบอย่างไรมันก็ไม่เกลี่ยก็ยังสกปรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนการทำบุญแล้วมันจะได้บุญไม่ได้อ่าไม่ได้บุญอ่านี่เป็นเรื่องของนักเรงสุราก็มาก็สามนักเรงการพนันอ่า นี่ก็เป็นทางไหยนณะเป็นเป็นปากเห่งความเสือ่อมคนที่ติดการประ น, นันหลงไหลการประ น, นันะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะผู้หญิงก็กินได้เล่นได้นะผู้หญิงก็เดินสุราเก่งเดี๋ยวนี้เก่งก็ผู้ชายก็มีเยี่ยงเมาเลยขอประทานโทษหน้าเปลียดจังเลยนะหน้าเปลียดมากผู้หญิงนี่ผู้ชายเมามันก็ชั่วอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนมันเข้าท่ากว่าผู้หญิงผู้หญิงเมาเนี่ดูไม่ได้นะดูไม่ได้อืม อันนี้แม้แต่ผู้หญิงก็จะพูดกันเองว่ามันไม่เข้าท่านะไม่เข้าท่าเห็นหนังสือพิมพ์เขาลงเนี่ยลากกันอุ้มกันมากระเราะกระราดูแล้วมันหน้าหน่าละอายแก็บใจนะมาเรื่องการพนันเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เล่นกันเป็นนะตัวเล็กตัวน้อยนักเรียนนี่เป็นหมดเรื่องการพนันนี่เนี่ย้เรื่องการพนันนี่มันมันมันมีแพ้มีชนะวนเวียนกันได้แต่ว่ามันแพ้มากกว่าได้นะมันแพ้มากกว่าได้ ทราบว่าในขณะนี้ก็อทางภาคอีสานนี้กําลังคลั่งไคล์เกี่ยวกับเรื่องหวยใต้ดินกันมากบางทีรวมกันแล้วเล่นกันนี้เป็นสิบสิบล้านก็มีโอ้อย่างนี้มันมากถามชาวบ้านบอกว่าวันหนึ่งสมมติหาเงินมาได้สามสิบาทก็ต้องให้ไปกับการพ น, นันให้กับตัวเลขหวยใต้ดินไปยี่สิบาทเอาไว้กินสิบบาทอย่างนี้มันจะไม่จนจะทนไหวหมดนี่อย่างนี้หมดตัวนะแต่การพนันนี่ก็ติดกันทั่วประเทศแหละแตว่ว่าทางภาคอีสานกำลังคลั่งไคล์คลกันมากนะ เรียกว่าพอใกล้หวยจะออกนี่ก็สแสวงหากันแล้วนะหาตัวเลขกันอโลจพ่อที่ไหนดีเรื่องพ่อที่ไหนดีก็ปายกันเอาไปขัดกันไปขอร้องกันไม่เป็นอันธรมาหากินไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าคนจะดีนั้นอยู่ที่การกระทําถ้าเราตั้งใจทําการงานด้วยความสุจจริตด้วยความไม่ย่นย่อท้อถอยต่อความเหนื่อยยากความลําบากนะต่อแดดหนาวร้อนฝนในทุกสิ่งทุกอย่างมันเงินมันหาได้นะ แล้วเราก็ภูมิใจด้วยเราได้มาอย่างงี้มันสมศักดิ์ศรีแต่ไอ้เงินที่ได้มาจากการพนันเป็นเงินร้อนได้มาง่ายกว่าใช้ง่ายนะเดการพนันมีที่ไหนก็มักจะมีการโกงกันคนเล่นไม่รวยแต่เจ้ามือน่ารวยนะไอ้คนรวยก็มักจะเป็นคนโกงด้วยนะเรื่องการพนันแม้ว่าจะทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็โกงได้เพราะไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นคนทําไม่ใช่ใครทําไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทําคอมพิวเตอร์คนคนสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคนก็ทําให้คอมพิวเตอร์นั้นโกงก็ได้นี่ทําได้ ฉะนั้นนี่เนะี่เขาจึงบอกว่าไอ้โจนปล้นบ้านสักสิบครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่งไอ้ไฟไหม้บ้านสิบครั้งก็ไม่เท่ากับเสียการพนันครั้งเดียวนะไอ้โจรปล้นมันก็ยังเหลือบ้านเหลือที่รับที่นอนหรือทรัพย์สมบัติก็มันเอาไม่หมดยังเหลือบ้าแต่ฟไฟไหม้มันก็ยังเหลือที่ดินอยู่แม้จะไหม้ทรัพย์สมบัติบนบ้านหมดไหม้บ้านหมดังเหลือที่ดินอยู่แต่ถ้าเป็นการพนันนี่หมดเลย ทรัพ ส, สมบัติอาจจะถูกจำนองจำนำหมดบ้านช่องถูกจำนองจำนำหมดที่ดินที่ไร่ที่นาที่สวนหมดบางครั้งขอประธานโทษเอาตัวเองเข้าไปเป็นประกันนี่ต้องเสียเนื้อเสียตัวเอาโูกเข้าไปขายอย่างนี้ก็มีเยอะนี่เรียกว่าอาจจะหมดเนื้อหมดตัวภายในชั่วโมงนั้นก็ได้นี่เรื่องการพนันนะพูดถึงเรื่องการพนันฉะนั้นนี่แหละพูดว่าการพนันนี่มันก็มีแต่ความหายันะอย่างเดียวนะหาอย่างเดียวเสียเวลา่เว ล, เวลวาคนเล่นการพนันเนี่ย เสียเวลาเวลา ม, มากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้จับไว้ว่าโทษของการเล่นการพนันก็คือผู้ชนะย่อมก่อเวรย่อมก่อเวรทำให้ให้คนแพ้นั้นก็คือว่าคิดคิดที่จะหาทางแก้เมือ่อเมื่อแก้ไม่ได้ก็ก็หาทางที่จะจี้พล่นหรือว่าโกงกันนะมีการทะเลาะวิวาทหรือบางทีก็ถึงกับฆ่ากันตายเนี่ยมันก่อเวร คู่แพลย่อมเสียดายทรัพย์ที่ตัวเองได้เสียไปนอนเป็นทุกนองกันวนไม่เป็นอันทํามาหากินนะไม่เป็นอันทํามาหากินนี่มันเป็นอย่างนั้นอืมแล้วสามไม่มีใครเชื่อถือทรัสามไอ้ทรัพย์สมบัติก็ย่อมชิบหายไปนะแน่นอนที่สุดคนเล่นการเงิ น, นั้นก็ย่อมชิบหายไปบางครั้งถูกขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่สองร้ยสามร้อยนี่ถูกควยได้ท้ายกูนคุยไปเจ็ดวันเจ็ดคืน แต่อัที่เสียไปทั้งเป็นหมื่นเป็นพันนี่ไม่คุยเลยเงียบเลยเนะเงียบเลยอฉะนั้นการพนันนี่เรายิ่งเล่นมันก็ยิ่งยิ่งกินเนื้อตัวเองเข้าไปเท่ากับว่าเราเนี่เอาเลือดเอาเนื้อเนี่ยแล่ออกไปอ่าทีละชิ้นละชิ้นผลที่สุดก็หมดก็ตายฉะนั้นคนเล่นการพนันก็คือต้องเสื่อมเสียทรัพย์สมบัติย่อมชิปหายไปประการที่สี่ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคําำคําพูดใช้ไม่ได้คนที่เล่นการพนันเนี่ยมักจะ พูดกโกหกพวกลมสารพัดข้อที่ห้าก็คือว่าเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงของบริวารว่าไม่ดีมีเพื่อนไม่ดีข้อที่หกก็คือไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยผู้ชายก็ไม่มีใครอยากแต่งงานไม่มีพ่อแม่อยากเอาไปทําเป็นลูกเขย ล, ลูกสะใภ้เพราะเขากลัวว่าจะไปเลี้ยงลูกเขาไม่ได้จะมาล้างหลานสมบัติของเขาสมมตินี่เนะี่ยมันไม่ดีอย่างนี้เองนะมันไม่ดี มันมีแต่ทุกข์มีแต่ทโทษฉะนั้นเราอย่าไปเล่นกันยราอย่าเล่นเลยนะสู้เราทําด้วยน้ําพักน้าแรงของเราแม้มันจะได้ไม่มากแต่มันก็ภูมิใจเราทําได้ทุกวันแล้วก็เป็นการออกกําลังด้วยนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกบางครั้งเนี่ยชวนให้ไปฟังเทศฟังธรรมทำบุญทุนทานที่หวัดไปไม่ได้บอกไม่มีทุระบ้าง อ, อบอกไม่ทุระบ้างไม่ว่างบ้าง อ, อนั่งฟังเทศไม่ได้มันปวดแกงปวดขา ไอ้ที่ไปนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นการทํานานนั่งเดิมเล่าเมายาเนี่รู้สึกว่านั่งได้ทั้งวันทั้งคืนนั่งได้ยี่บสี่ชั่วโมงไม่บ่นว่าปวดว่าเมื่อยนี่มันเป็นอย่างไนเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะมันเป็นเวรเป็นกรรมไอ้จะให้ทำดีชั่วออกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี่แมวบนแทบตายเลยนะเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมมากนะเขาจึ้นต้องอย่างนั้นฉะนั้นนี่เนี่ยมันจะบอกเป็นทางแห่งความชิดหายมาในข้อสุดท้ายข้อที่หกก็คือว่าการคบคนชั่วเป็นมิตรให คนที่ไม่ดีนะคนที่ไม่ดีในคนไม่ดีคนชั่วนี่ก็คือคนพานั่นเองนะคือคนพาณิในคนพานี่แน่นอนที่สุดพระพุทธองค์ท่านได้เดียบไปว่าคนพานี่คิดมันก็คิดชั่วทําก็ทําชั่วพูดก็พูดชั่วนี่คนพาณนะฉะนั้นใใครไปคบคนที่พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วเข้ามันก็พลอยชั่วไปด้วยถึงแม้ตัวเองจะไม่ชั่วก็ชั่วไปด้วยเหมือนกับใบไม้ที่ ที่หอบปลาละนะมันก็พลอยเหม็นไปด้วยใบไม้นั้นถ้าใบไม้ไปหอหอของหอมดอกอกลิ่ น, แ ก, นแก่นไม้จันทไม้กฤษสนาหรือดอกจำปีดอกจำปาเนี่ยก็ใบไม้นั้นก็พลอยไปขลิ่นหอมไปด้วยนะก็คือการครบคนดีนั่นเองนะแม้ตัวเองจะไม่เป็นคนดีแต่ไปคบคนดีก็ทําให้ชื่อเสียงนั้นดีไปด้วยนะดีไปด้วยฉะนั้นขอให้เราครบตัวดีคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วก็พาตัวประราชัย ในทางพระพุทธศาสนาผู้ทรงได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าอาเสวานาจะพาลานังปันติทานัจะเสวานาบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตังการไม่ครบคนผานครบแต่บัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละเป็นมงคลนั้นสูงสุดนั่นแหละประเสริฐสุดให้เราทุกคนทําอย่างนั้นเพราะการครบคนชั่วคนชั่วก็แนะนําในสิ่งที่ชั่วทําในสิ่งที่ไม่เป็นธุระนะแล้วคนชั่วนี้ก็เห็นแก่ตัวลงทุนน้อยเอามากอ่านะ ออกปากอะไรก็ช่วยเหลือไม่ได้นะแต่บทถึงข่าวเราได้ประโยชน์มันพยายามเกาะกลุ่มเอให้มากอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะฉะนั้นนี่แหละที่บอกว่าอบายามุกนี้เป็นทางแห่งความชั่วเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียทั้งนั้นเราทุกคนควรจะหลีกวเวน้นะเมื่อเราหลีกอบายามุกได้เราก็จะตั้งตัวไดนะ้คนเราที่ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ก็เพราะเสร็จเรื่องอบอายามุกข้อหนึ่งข้อใดเริ่ติดทั้งหมดก็ยิ่งเกิดความหายนะมากนะเกิดความหายนะมากนะฉะนั้น ขอให้เราได้หล็กเล็กเว้นจากความชั่วเพราะคนชั่วนี่มันทักนําเราไปเป็นนักเลงหญิงก็ได้เป็นนักเลงสุราก็ได้เป็นนักเลงการ์พานันก็ได้ถ้าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ไดประพฤติผิดประเวณีก็ได้ได้ทางนั้นเลยนะโขดโกหกหลอกลวงก็ได้นี่เพราะคบคนชั่วเป็นมิฉะนั้นให้เราครบแต่บัณฑิตครบแต่คนดีก็จะเป็นสีแก่ตัวมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองฉะนั้นขอให้เราทุกคน อย่าเป็นนักเลงหญิงอย่าเป็นนักเลงชายอย่าเป็นนักเลงสุราอย่าเป็นนักเลงการพ น, นันครบคนดีเป็นวิทยากรก็จะมีแต่ความเจริญจะประกอบกิจาการอันไรก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้หาตั้งเนื้อตั้งตัวได้จะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแก่เรา ท, ทุกทุที่นะและยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขแก่ตัวเราแก่ครอบครัวของเราแก่สังคมและประเทศชาติของเราฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกสี่อย่างมา ก็อพอสมควรกับเวลาขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้กำลังรับฟังอยู่หน้าที่นี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร